بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والاعبان إلا على الظالمين أصلي و أ ص ل م على ا ش ر ف الأولين و ا ل آ خ ر ي ن المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه و ص ح ب ه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 ในชีวิตของเรานะครับบางอย่างที่ต้องทำใจบางอย่างไม่ต้องทำใจบางสิ่งบางอย่างนี่รับได้ทุกสถานการณ์ <c oughs> ใครจะมาให้ล้านบาทนี่ต้องทำใจไหมทำอะไรใคร ใครที่จะมาประพฤติปฏิบัติอะไรที่เราคิดว่ามันสอดคล้องกับนิสัยของเขาถ้าชื่นคนขี้เหนียวอยากคิดว่าไป บ, บ้านไป บ, บ้านเขาเขาจะเชื่อแพร่ให้อันนี้ไม่ต้องทําใจเพราะว่าไปบ้านคนขี้เหนียวเออต้องทําใจเขาจะไม่เชื่อแพะ่ให้กินมันไม่ต้องทําใจ มันมันสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับกับเรื่องที่เราจะต้องศรัทธาต้องน้อมรับต้องเชื่อฟังอันเป็นคำสั่งของระสุภาณวตารต้องทำใจ ถ้าเดี๋ยวนี้ประกาศว่ามีขโมยคนหนึ่งถูกจับจะปฏิบัตรริการศาสนาหรือจะตัดมือมีน้องให้อยู่นะจะตัดมือให้ให้ดูอยู่หมดไหมจะอยู่กันไหมบางคนนีดูไม่ดูบางคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาใจก่อน ไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปนะแม้จะต้องปัญญาชนคนที่มีความรู้เช่เช่นอบุลอาอัลมาฮ์เป็นนับตั้ยาดังมากนะครับเขาจะพูดเป็นกรอนเลยอ่านหนังสือเขาส่วนมากเป็นกรอนและเป็นกรอนที่ลึกซึ้งมาก บางบทนี้ก็จะหลุนซึ่งความไม่พอใจความที่ทำใจไม่ได้กัสาสาบหลักการศาสนาบางประการเช่นการตัดมือคนขโมยจึงร่างมาเป็นบทกลอนเลยนะยะดุนบิคัมสินมีอินินัสจัดินวุดยตมาบาลุฮาตุตีตฟีรุบย์ินารี มือเนี่ยนะเขาบอกว่ามือเนี่ยถ้ามีใครมาละเมิดมาทำร้ายมือแล้วก็ทำให้ให้ต้องตัดมือเนี่ยคนที่มาทำร้ายมือเราเนี่ยจะต้องจ่ายให้เราเนี่ยห้าร้อยดีนาร์ดีนาร์เท่าไหร่ดีนาร์ประมาณหกพันบาทดีนารนี่ประมาณหกพันบาท คูณห้าร้อยไทยสามแสนนี่นี่ก็ได้ ก, กว่าค่าชดใช้อะนะชดใช้มือ <c oughs> แต่มือเนี่ยนะถ้าไปหยิบของคนอื่นเขาโดยของนั้นนะ่ะมีมูลค่าห้าร้อยบาทห้ารอยบาทไม่ใช่ห้าร้อยดีนะห้าร้อยบาท สั่งให้ตัดเขาบอกว่ามือนี่มันมีมูมมลค่าห้าร้อยดีนา่าไม่ธรรมดานะแต่ทีมันไปขโมยอะไรเล็กน้อยห้าร้อยบาทนี้ก็ตัดละวโบอาล้วมารนี่ทำใจไม่ได้นักกฎหมายอิสลามละนักวิชาการเขาก็ตอบสัส้นๆนะ ตอบสั้นๆเ <c oughs> ขาบอกว่าล็อคหมากรัมือเนี่ยพอมันมีเกียรติเกียรติรักษาศักดิ์ศรีไม่ขโมยของคนอื่นเ้าถึงแม้ว่าจะยากจนจะลำบากมันก็รักษาเกียรติเป็นมือสะอาดล็อคหมากระดับเพอมันมีเกียรติแล้วจึงมีค่ามีราคา แลัวม่ข้อนั้ห้านัแต่พอมันโทรยุแล้วมันก็หมดค่าธรรมดานี่ปัญญาที่เราสามารถคุยสมองต่อสมองคือสกิจใจบอกว่าเออทำใจไม่ได้นะนี่มีเหตุผลนะทำใจได้อย่างเออโอ้เข้า่าเข้าใจเข้าใจแต่นี่คือนี่คือความพอใจ ความพอใจที่มันเกิดจากเหตุผลของปัญญาผู้ศรัทธามีหลายระดับมีหลายระดับในการทำใจผู้ศรัทธา <c oughs> จะทำใจครั้งแรกเลยเมื่อยอมรับในพระเจ้ายอมรับในพระบุญปิบานยอมรับในความเป็นพระเจ้ายอมรับในความเป็นผู้ปกครองของพระเจ้ายอมรับ ในเหตุผลของพระเจ้าตั้งแต่น้องรับอิสลามแล้วว่าพระเจ้านี้จะต้องทำทุกสิ่งอย่างที่มีเหตุผลเพราะถ้าพระเจ้าทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลไม่ควรเป็นพระเจ้าทำไมอ่ะเพราะจะเป็นผู้ที่มีข้อบอกพร่องใครที่นึกว่ามันเป็นพระเจ้าไม่ได้ แต่เราไม่ดีไอาบาดาไม่ดีสักรารไม่ดีศรัทาไม่ดีเชื่อพระเจ้าที่มีนักมีพรุง่งมีสิ่งด้อยเราเชื่อศรัทธาในพระเจ้าที่มีความสมบูรณ์ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องเหตุผลของพระองค์ในบทบเนีทึกต่างๆผู้ศรัทธาเนี่ยเขาทำใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นอะไรที่ Allah จะสั่มาอะ เราบสด็จมีอำนาจะ่าป่านที่เราเคยเล่ามีน้องฟังบทตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาแจ้งผู้ศรัทธาว่าอะไรที่เขาเปิดเผยอะไรที่เขาเปกปิดนี่อัลลอฮฺจะทิ้งบัญชีหมดสหบาคุขา่ขาวข่าวนั่นี่ เราแบบเรากำลัมาจีฮั่กับจีฮั่นสกาดเราเสียเวลาทำทุกอย่างแต่อัลลอฮฺจะเอาเรื่องกับเราแม้กระทั่งสิ่งดีอยู่ในหัวใจของเราโอ้ยนี่เราเราไม่ไหวเลยท่นบิสศสดบอกท่านทักทันใจไม่ได้บองที่น้องลองคิดดูสิอยากจะรู้สึกความรู้สึกคล้ายๆเนี่ยนะคนขโมยเนี่ยตอนก่อนนุ่นน่ะ แต่ก่อน น, น, อยอยนู้นเนี่ยคนขโมยเนี่ยนะครับอดีตไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ ม, มีความสุขมากคือไปขโมยที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยมีอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอ่าเป็นโจรป้นเป็นโจรอ่าป่นป่นปนบ่าเพราะเขาจะวางแผนเนียบเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่มีความสุขเลยทําไมกล้องวงจรปิดนี้เต็มไปหมดเลย เต็ไปหมดเลยมีตัวนฉลาดมากเขาบอกว่าถ้าอย่างั้นดูเดี๋ยวฉันจะทําลายกล้องนี้เขาก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไอ้กล้องมันก็ถ่ายมันก็ถ่ายนี่ก็ปีน <c oughs> มันก็ถ่ายแล้วมันก็หยิบกล้องทำหยิบหยบกล้องแล้วก็โยนเออนะ่ะไอ้เมมโมรี่ของกล้องนี้มันก็ไม่ไม่ได้เสียหายพอจับได้แล้วเนี่ยมีหมดเลยรูป <c oughs> เมื่จนเดนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วแล้วเป็นขโมยไปปุ้นที่ไหนนี่คือความรู้สึกของของซาฮาบะบางท่านนี่เพราะอัลลอฮ์บอกว่าแม้กระทั่งหัวใจนี่อัลลอฮ์ก็มองแล้วก็จะเอาเรื่องนี่ขนาดพฤติกรรมภายนอกของเรานี่เรายังไม่อยากให้ใครเห็นเลยไม่อยากให้ใครมาเอาเรื่องกับเร า, เราอยากทําแล้วปุ่น อยาทำแล้วก uh uh ็ไม ah ah um ่ไม่ติดภาระกับใครแต่นี่อัลลบอกว่าแม้กระทั่งหัวใจมีอะไรในหัวใจคิดอะไรวางแผนอะไรความผิดต่างอัลลอฮฺว่าอินดุฟุมะฟิอัลกุสิกุมอัตูบดุฟุฮฺฮะซิบุคุมบิฮิละอัลลอฮฺจัสมา ปาะชาชนยุคก่อนขอ Allah ส ma, <c oughs> nah ah ma ั่งอะไรมาอย่างยิวยิสั่งอะไรมาไม่ไหวสมัยน่ะว่าซวยน่ะตีแล้วแต่ไม่ทำทำไมไม่ไหวยิวมันน่ายเลยสมัยน่ะว่าซยน่ะอะไรวะสมัยน่ะว่าตาหนะกับ Allah سبحانه าละ تعالى นี้มันไม่มีโอกาสสำหรับผู้สถานีที่หัวใจของเขา จินตนาการสมองของเขาที่จะคัดค้านคำสั่งมันเท่ากับเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้านบีสอนให้กล่าวสมญญาในวอตอานาะอุฟราละตับรบบนาไอเลยกันมซีเขาัง <c oughs> ทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดช่วงแรกเพราะเรื่องขั้นด เรื่องการลงโทษที่ถูกกําหนดในกุรอานที่เกี่ยวกับบาปใหญ่นั้นถูกหยิบยกเป็นประเด็นเสมอเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยหวังดีกับอิสลามต้งการโจมตีอิสลามต้องการหาจุดอ่อนจุดด้อยโจมตีอิสลาม และมักจะเอิสลามรู้แร้ทำไมตัดมือตัดข้อเขียนคนทำสินะได้แค่นี้มานจะมันจะเป็นเป็นแบบนี้เราก็ไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่จะต้องมาปกต้องเหมือนกับว่ามันเป็นปลดมอยหรือเป็นจุดอ่อนจริง บอกก็โจมทีอะโจมตีนะอิสลามที่ดีนะตัดมือมียดวะเนี่ยคือทําเหมือนว่าเราจะต้องมีคําตอบให้เขาไม่ใช่คือเราไม่เถียงกับใครในเรื่องตัดมือไม่ไม่คุ ย, คย ก, กับต่างศาสนาอิกนะมต่างศาสนาอิสลามที่จะมาขอเวลาทำํำไมอิสลามมีตัดมือบอก็เดีเยอะก่อนมีพระเจ้าหรือเปล่า ไม่เครียดก่อนสำหรับเรานี่เบืองเสียวเวลาทําไมอิสลามแตะโอ้แตะมือมันนี่มันอย่างนี้มันอทําไมอิสลามเครียดคนที่ทำสิ่งอ๋อมันนอัลอาคามของอิสลามนี่เป็นเป็นร้อยเป็นพันเราต้องอธิบายทั้งหมดนี่และโมสุดท้ายเราเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าตเสี้ยเสี้ยวเวลาคุยประเด็นหลักก่อนมีพระเจ้าหรือเปามีพระเจ้าหรือเป่า พระเานี่ยเป็นใครหลักฐานอันเนี้ยอันเนี้ยอนนให้เวลาเต็มที่เต็มที่นี่หมายถึงว่าถ้ามีคนจะศึกษาอิสลามขอเวลากี่ปีผมเขาสิบปีเอาเลยและระหว่างที่เขาศึกษาสิบปีถ้าเขาจริงใจกับอิสลามจริงใจกับสัจธรรมนะหมายถึงว่าความเป็นพระเจ้าเขายังไม่เคลียเขาขออีข อ, อ, อ, อศึกษาอีกถ้าเขาจริงใจนะและเสียชีวิตขณะที่กําลังศึกษาหวังว่า หวังว่าเขาจะไม่เสียชีวิตในฐานะเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาหวังว่าทำไมที่ต้องจริงใจนะแต่อแบบชักชา้าแบบแบบไม่ไม่จริงใจนี่อันนี้มอบหมายเราจัดการแน่นอนเราต้องต้องจริงใจเอาเรื่องนี้ให้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วมันจะกระจายทุกเรื่องต่อมาแต่สำหรับมุสลิมที่เชื่อแล้วในอิสลาม สำหรับมุสลิมที่ตระหนักแล้วนะครับการที่จะศึกษาค้นหาเหตุผลต่างๆที่จะให้หลักการของอิสลามคาสั่งสอนหล่อหล่อนเนี่ยไม่มีเหตุมีผลแม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่รมระบุด้วยสำนวนของตัวบทหรือเป็นเหตุผลที่เราได้ค้นหาด้วยด้วยการศึกษาเรียนรู้ของเรา วันเดานลมาก็เปเรื่องดีที่ศาสนาอนญาให้กระทำได้นี่ประเด็นนึ่งนะครับประเด็นประเด็นต่อมากฎหมายอาญาในบรรดาสมนัก คิดของนักกฎหมายอะนะโลกนี้มีหลายมัธยบัณนะอย่างที่เรานี้มีมัธยัณชาติอีมาเลกีอาณาวิอัมเบรนน่กฎหมายก็มีมัธยบัณนะอนนี้มัธยบัณนักกฎหมายอังกฤษอนี้มัธยบัณนักกฎหมายฝรั่งเศสมีมันมับนักกฎหมายอิหร่มีอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็แต่ละกลุ่มนี่แต่ละเชื้อชาตินี่เขาก็อ้างความเชี่ยวชาญความประณีตความหนักแน่นของกฎหมายของเขา แต่เราไม่เราไม่ไม่ยอมครับนะเ ร, เราเรากฎหมายของพระเจ้าแน่นอนต้องต้องเป็นกฎหมายที่เหนือที่สุดที่ดีที่สุดแล้วแต่กฎหมายของมนุษย์เนี่ยเพรา ม, ามาัมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของอรรณีกฎหมายไอ้ๆเนี่ยความผิดฐานผิดในกฎหมายต่างๆเป็นพันเลยนะครับ เป็นพันอยากจะเห็นตัวอย่างดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลทาำอย่างนี้อภิกฎหมายกบพอปศทำอย่างนี้อภิกฎหมายแล้วมันหาฐานผิดทุกคน่นนี้ใครทำมาแล้วต้องผิดหมดเลยแล้วก็มีอ้างมาตราโน่นมาตรานี้ทั้งคุกและปัดกฎหมายอิสลาม กฎหมายอาญานี่น่าเป็นสุขทำไมอ่ะเขาบอกว่ากฎหมายอาญานี่มีความบิดว่าด้วยการกระทําบาปใหญ่มีเพียงประมาณเจ็ดถึงแปดหรือเก้าบทลงโทษมีประหารชีวิตนะมีประหารชีวิตฆาตกรมีประหารชีวิตคนที่ทําดินาโดยมีครอบครัวด้วยคว่างด้วยหินมีการเพี้ยง ผู้ที่ทำศีลผิดประเวณีโดยไม่มีครอบครัวมีตัดมือคนขโมยมีการลงโทษด้วยการประหารชีวิตหรือตรึงบนไม้กางเขนตัดมือตัดขาอย่างที่เราได้ศึกษาไปแล้ว น, นะครับแล้วก็มีการเที่ยนผู้ที่ดื่มดื่มสุรามีเทียนผู้ที่กล่าวหาผู้อื่นว่าทำศีลหรือขัดดุลงั้า แล้วก็มอีอันอื่นที่อุลมามะเขาอาจจะขัดแย้งกันว่าเป็นบทลงโทษหรือเปล่าวิจิตรและความผิดอย่างอื่นเช่นคนไม่ซีนะ่าคนไม่ได้ผิดประเวณีแล้วก็ทําอะไรอะทุปราบทําอะไรกําลังนูบกันมีโทษไหมมีโทษแต่โทษไม่ถึงท่านเขียนหรือ ประหารชีวิตถงแม้ว่ามีครอบครัวถ้าถ้ายังไ ม, ไม่ไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีนี่นะทุกข์และทุกขนี่ถูกกำหนดไม่ไม่ได้ถูกกำหนดแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ดุลพินิษของผู้รักษาแล้วแต่สถานภาพแล้วแต่ความก้าวร้าวผงของอาชญากรของผู้กระทำความผิดเช่นคนถูกจับครั้งแรกอ่ามีอะไรกับ ผู้หญิงผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายจะตูบกันอะไรเงี้ยถูกจับครั้งแรกเพื่อสาพิจารณาออมนีอาจจะไม่ตั้งใจก็อาจจะผมพูดเ บ, า ห, า, บาหน่อยอ้าไปกวาดมาสยิสัก3มวันอยู่ที่ดุนพินิจของของรักษาแต่ถูกจับแล้วทุกวาเลนทายเลยทุกวาเลนทายต้องมีคดีไอหมอนี่ต้อง ต้องรุนแรง น, น่อยต้องรุนแรงทํำยังไงอ้าวไปทําความสะอาดครอบครอบัวของใบตุ๋มามลหกเดือนใครไปอยู่กับมูลสัตว์นี่ือได้จะได้ปรับไอ้ไอไอารมณ์อิริศนิยมหน่อยปรับไปไอ้กิเลสนี่ไปอยู่กับอึครับมันให้มันให้มันรู้บ้าน แล้วแต่ความความตั้งใจความโหดความรุนแรงของความผิดดุนๆเพียง น, น, นี้แ้บอกว่าอิสลาเอโหดทำไมอ่ะตัดมือตัดข้อเขียนอาลกฏหมายมนุษย์เนี่ยที่กำลังวิจารณิสลาเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งที่ที่สเปนเป็นฆาตากรคม ข, ขืน ราคาเยือถูกจําคุก400ปีอันนี้เขาีอะอันนี้เขาเรียกเนนิงเทนนิง400ปีอัสลุมดูเขาอยู่เขาอยู่ของเขานี่นะครับเขาถูกจับสัก30ปีนะ40ปะีมนุษย์ทั่วไปนี่อยู่ไอะไงอย่า ง, า ง, างสบายๆนี่อยู่อายุ80ปีก็จะอยู่ในคุก40ปีกว่าจะตายแล้วก็ไอ้300ปีนี่นี่เนนิง แต่เขาอยู่40ปีในคุกเนี่ยโหดไหมถ้าถามฆาตกรนีเอาอยัางไงเอาอยัางไงประหารชีวิตลบล้างความผิด ต, ตายแล้วไปสวรรค์ลเลยหรืออยู่ในโลกดุนยานี่อีก40ปีเองไม่รู้ว่าเองจะเป็นยังไงต่อไปเลือกยงงังไงสำหรับผู้สัทธาเนี่ยเลือกอะไรนะผู้ยิงที่มาหาทัานนบี صلى الله عليه وسلم ตะฮิรเนี่ย ชำราสันทำความสะอาดฉันอยู่ในดุจบุญญาไม่ได้แล้วสาวะกะอีกคนหนึ่งที่ขโมยแล้วก็มาบอกกันนบีต่อเห้นี่ตัดมือฉันขอเลยขอจากท่านนบีเราอตัดมือเสร็จแล้วนี่มองมือนี่ที่ถูกตัดแล้วอัลฮัมดุลิลแลนี่ที่ที่ทำให้ฉันนี่พ้นจากแกนี่แกจะนำฉันไปนรกพวาหมายทีงว่าทามือนี่มันยังอยู่นะมือที่ขโมยนี่มันต้องไป ถูกลงโทษเนนรูกมันก็จะลากเจ้าของไปด้วยเนี่ยเพราะถูกตัดแล้วเนี่ยอามะก็จะให้มืออีกข้างหนึ่ง น, นะเข้าสวรรค์อันไหนหหดกว่าสำหรับคนที่ทำถูกจับผิดฐานผิดผิดประเวณีผิดกฎหมายนะกฎหมายมันีีผิดประเวณีผิดกฎหมายนะผิดเวณีจำคุกครบเดือน วุ้งหกเดือนให้เขาเมื่อดถูกเคียนร้อยครั้งถูกบยร้อยทีหรือจะอยู่ในผูกหกเดือนต <c oughs> ีเลยทําไมเดี๋ยวกลับบ้านทารกมักจะหายแนละ้วขจิ้งนะถูกเคียนถูกตีเนี่ยมันมันจะอะไรมันจะเป็นแผลมันจะมันจะมันจะบวมมันจะเจ็บจะแค่ไหนอ่ะหาเดี๋ยวไปบ้านทารกมักทารักษา สามสี่วันก็หายแล้วรู้บิวหกเดือนหลอกเดือนในคุกนี่ไปเจอใครอ่ะไปเจอฆตากรไปเจอค้ายาไปเจออะไรนี่คนแบบว่ามีฐานผิดผิดเพื่อนเดียวในชีวิต Server นี่นะพลาดไปเรื่องเดียวนี่นะเข้าไปในคุกแล้วก็รู้หกเดือนออกมาเป็นอาชญากรมืออาชีพนี่เป็นปัญหาที่เขาศึกษาเป็นปิญญาโตปิญญาเอกแล้วนะเนี๋ยวนเขาคุยกันเรื่องนี้จริงจังแล้วนะ แต่ไหนแต่นแล้วอิสลามบอกว่าไอ้เรื่องจำคุกเนี่ยไม่ได้เป็นบทไม่ได้เป็นโทษในอิสลามแต่เป็นวิธีในการาเรียกร้องสิทธ์จำคุกใครเนี่ยเพื่ อ, อเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่ใช่โทษ ด, ด้วยการจำคุกจำคุก ป, ปีสองปีสามปีด้วยคาันี้ไม่ใช่อิสลามไม่มีทาไมอ่ะทำไมอ่ะ พอมาพูดเนี่ยจนะอิสลามจะเล่นมาเล่นงานกฎหมายมนุษย์บ้างนะอะกฎหมายสากลนะี่ะกฎหมายมนุษย์นี่นะเป็นกฎหมายที่คมเห็น อ, สอิอนอนออรรอสรภาพของของมนุษย์ใช่ดิใช่ดิคนก็มีความผิดเรื่องเดียวเราไปจํากัดอิสระภาพของเขานี่ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยสามสิบ ป, ปีหกสิ ป, ปีโ อ, โอยู่ในคุกเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไร สมัยท่านนหาสุลแลลัสั่ลัมฐานติดกบฏนะอิสลามไม่อภัยได้นีกฎหมายที่ไหนของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยกบฏกบฏปล่อยนี่เพราะฉะนั้นความโหดที่เขามักจะวิจารอิสลามมานะมันก็เป็นมันเป็นการเ ป, ร, เปรียบเทียบจาก จะอารมณ์และความรู้สึกของของมนุษย์กันเองแต่ถ้าเรามองถึงความเป็นธรรมความพิติธรรมมองมองกว้างสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เราจะเห็นว่าไม่มีใครที่จะเมตตามนุษย์มากกว่าอัลลอไม่มีใครท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเดินกับสหายเห็น ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่พอวางลูกลูกก็คารเดินจนกระทั่งมีมีมาหรือมีสัตว์ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่จะทับจะเหยียบลูกแม่ก็เลยวิ่งวิ่งไปอุ้มลูกลากลูกออกมาเซฟชีวิต นบีถามสหบดเห็นไหมไม่เคยเห็นตัวครูหรือ น, นักวุชาการสอนแบบนี้รอจังหวะเออโลเคชันแบบนี้กําลังดูกํลาลังคานมากําลังจะเหยียบนบีดูนดูนะโอ้นี่มยานบันไดแบบนี้ ต่ดูนบีสอนยังไง l o c a i o n แบบนี้สุดยอดเห็นไหมคิดว่าคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะทิ้งลูกให้ตายอย่างนี้ปะนบีถามซาบะเขาไม่ได้หรอแม่เนี่ก็ต้องต้องเซฟต้องช่วยลูกแม่เนาะนบีบอกว่าอัลลลลอฮุอรหมุบิอฮิมินฮบิวลัดิฮะโดยน่นอ อัลลอฮฺสุบฮานาวาดาจะเมตตาเบาของพระองค์มากกว่าที่ผู้หญิงคนเนี้เมตตาลูกของเขาโอ้บทนี้น่าทำเป็นหนังเลยเห็นหนเลยเห็นเห็นภาพเลยอะเห็นภาพอะไรเห็นภาพความเมตตาของอัลลอฮฺของเรา ถึงอัลลอฮ์ที่จะเมตตาเบาของพระองค์มากกว่าแม่ที่จะเมตตาลูกนี่ถ้าอัลลอฮ์สั่งให้ตัดมืออัลลอสั่งให้บานชีวิตนี่แสดงว่ า, า, วาอัลลอฮ์ไม่ดีเหตุใดว่าอัลลอฮ์โหดอ่ะไม่ตีความไม่เลยถ้าอัลลอฮ์ Allah สั่งให้ตัดมือนั่นนะ่ะคืออัลลอฮ์มตตาคนขโมดเพราะถ้่อยคนขโมยอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเช่คเส้นที่เชื้อโรคนี่บางทีเนี่ยอ่าบางทีเนี่ยนิ้วเล็บนี่นะ เล็บไม่มีแผลแผลมันเนา่าถ้าปล่อยมันเนี่บางทีเนี่ยมันเน่าทั้งนิว้วแล้วมันลามไปทั้งมือเมาสุดท้ายบางคนต้องตัดตัดก็อะไรเพราเชื่อนิดเดียวเชื่อมันเกิดที่ที่ปลายเล็บแต่ถ้าปล่อยแล้วนี่มันอาจจะลามไปถ้าปล่อยอีกน่ะมันจะถึงแขนน่ะปล่อยอกนมันถึงอะอาจจะตายก็ได้เชื่อมีเชื่อที่เป็นรูปธรรม และเชื่อที่เป็นนามาธรรมาความชั่วความชั่นอัลลอฮ์มองว่าให้มีบทเรียนสําหรับคนที่ทําความชั่วและคนในสังคมที่กําลังมองหรือกําลังเศ้าระวังความผิดที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วไม่มีบทลงโทษเอาคนทําศีลนาสังคมก็เฉยแอบทำศีลนารูร้กนะันมีพยานเนฉะย สุท้ายนี่คนที่ทาที่นั่นี่นะไม่ได้แอบทาเสียนออกมาทำที่นั่สุดท้ายนี่ย่งที่อินเดียคมคืนบนรถเมลต์ตนะ้องขืนบนรถเมลต์แล้วก็ลองดูเกียวเกียวไม่มีครั้งเดียวครั้งแลว้ลวคังแล้วจนกระทั่งสตรีสมาคมองคอ์กรองคอ์กรเรียกร้อง เรียกร้องให้รัฐาบาลอินเดียจัดสรรรถเมยบางคันแยกหญิงแยกชายโธ่แต่สุดท้านี่ก็ต้องขันมหาอิสลามก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วให้แยกหญิงแยกชายตั้งแต่แรกแล้วบอกไม่เชื่อต้องทดลองกันนะต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงศักดิ์ศรีแบบนี้นะกว่าจะเห็นสัจธรรมมานะ เนี resonate, like ่ยผจะว่าไม่จริงใจอ่นะก็ไม่เข็ดไอ้พวกกิเลสที่มันไม่เข็ดนะะก็ไม่เลิกผู้ชายนี่นะครับบุกเข้าไปในส่วนของผู้หญิงจะเข้าจะเข้าไอ้แบบนี้ต้องทำยังไงแบบนี้ต้องทำยังะก็ไม่ยอมที่เกิดเหตุการณ์นี้มีที่ตีชื มีปัญหาแบบเนี้รถไฟฟ้าเบียดกันนะพะเบียดกันแนละ้วปนป น, ะนนะพี่น้องก็รู้อะไรมันเกิดขึ้นผู้หญิงประท้วงให้แยกให้มีตู้ให้มีคันหนึ่งสำหรับผู้หญิงแต่มีผู้ชายที่ไม่ไม่ชอบใจเข้าไปนะแต่เจอสตรีชนิดแบบลูกผู้ชายนะ ทั้งโดนโดนประนามโดนด่าโดนตบโดนเตะจนทุองลายออกการมลสนิลานของคนบางคนที่บังอาจบังอาจกับความจริงและจริธรรมท้าทายความจริงและท้าทายหลักการอิสลามขนาดนั้นนะครับอะไรที่จะทําให้พวกนี้เนี่ยขิดเสถียรกระสือขโมนความผิดมันถูกกระทํา ไม่มีใครประนามไม่มีใครถูกลงโทษเอาสิเอาให้เต็มที่เลยแต่ก็มีแต่ก็ ม, มีรูหน้ามสัสยิดยาแม้มัสยิดใหญ่ของเมืองคนก็ก็ชุมนุมมีอะไรมีอะไรศา ส, สนาไม่ได้บังคับเนยะให้ดูการลงโทษเขาบอกว่าเนี่ยคนทำซีนาถูกเขีย่ยอ้คนมีหัวใจสแสละงะนะเสียงเสียงไปไปนี้นี่อ่ะ เราบอกกันว่าเหลือชาตอบุมาตออิฟตุมินันมุมินีิให้มีคนเห็นบ้างเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ให้จัดการเรื่องการลงโทษในที่สาธารณะแต่ไม่ต้องประจานไม่ต้องประกาศออกช่องทีวีไม่ต้องนะเอแล้วมาเสร็จแล้วดการอย่างที่สวีดีก็ทํากันแล้วมาเสร็จแล้วเอามาจัดการคนที่ออกมาแล้วมาดีกว่าใครอยากจะดูกระเชิญใครไม่อยากดูกระเชิญมีบ้างก็แต่แน่นอนแน่นอน ข่าแบบนี้นี่แหล ะ, ะข้าวแบบนี้เนะกรนะจายไปในสังคมหมดหลังละหมาดูุรีบกลับบ้านกินข้าวโอยโดนละไอกคนหนึ่งไอ้คนนี้กำลังคิดจะทำนะกำลังวางแผนอยู่เสียแล้วเสียแล้วพละหมาดูุกรีบพุ่งนี้นี่ใครใครจะโดน คือจะไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องอย่างที่เราเห็นสังคมของเราอาการลงทษให้คนหนึ่งเจ็บคนเดียวเจ็บดีกว่าหรือจะปล่อยปัญหาให้สังคมเจ็บทั้งหมดเลยคำตอบแต่เราเลือกเลือกทางที่มันแตกนะไม่ไม่ไม่ต้องให้ใครเจ็บแต้ก็ะเป็ไงใครเจ็บบางเา ทำไมอะอาจำคุกสามเดือนจำคุกสามเดือนอร่อยสิครับพบพี่ตาเชอร์กรพวกนี้นะการที่จําคุกเนี่ยเหมือนส่งไปเที่ยวเกาะสมุยเออเขอยู่ข้างนอกกันนะอีดอันได้แต่คำีนาอย่างเดียวจะไปเกาะสมุยหรือไปไปคุกไปเรือนจํามานะได้ทั้งยาบ้าได้ทั้งเพราะข้างในนี่มีหมด มีหมดนะครับรรมท่าบุคเร่าบุคเร่เขาไปไปบรรยายข้างในแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าข้างในนี่มันเยี่ยมมาเยี่ยมมาเอย่าว่าอย่าว่าเรื่องจำนะในข่ายทหารก็มีออ้นอนก็มี มหาวิทยาลัยก็มีซอยสุราวก็มีเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรการลงโทษให้มันเหมาะสมกับความผิดเนี่ยอย่าไปถามนะครับคนที่ขมโมยเนี่ยทำไมมาตัดมือฉัน เพแน่นอนเขาจะมองว่าความบิดของเขานี่เป็นฐานบิดที่ไม่น่าจะมาลงโทษขนาดนี้คนนี้จะต้องถูกถามนี่ทุกคนในสังคมถามซะดีๆให้ชัดเจนแล้วก็ไปถามผู้คนทั้งหลายเอาอยัางไงชดใช้ไหมให้คนเข้าบ้านมาป้นบ้านท่านขโมยของออกไปถูกจําคุกสามเดือนหกเดือนออกมาทําหน้าที่ต่อ อย่างสุดๆสามปีหกปีสิบปีสิบปีนี่เข้าคุกนี่มาชีว่าตกงานนะไม่เป็นปรมาจารย์ข้างนอกนี่เป็นผู้ปฏิบัติการข้างในนี่เป็นผู้ผลิตโจรเพราะข้างในนี่มีลูกศิษย์นะเออมึงรู้เปล่าีมึงประสบการณ์นะเวลานี่ใครกุญแจนี่เปิดบ้านนี่ตรงร่้ได้วิชาแล้วได้ทิชาแล้วเอามาแบบนี้ และถามว่าเรียนจำที่อยู่ในเนี่ยในโลกบ้านเรานี่ประด็นเนี้ ย, ป เ, ยเป็นเป็นสถาบันที่สามารถแก้ไขกับมลุธสันดาลของอาเชกรไหมเปล่าเลยต้องไปอาศัยครูบาอาจารย์ทุกศาสนาพระก็ต้องเข้าไปเทศักธรรมุิลิ์ก็ต้องเข้าไปสอนทำไมข้างในนี่ไม่ได้สั่งสอนไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะนั้นในขุดอ่านเนี่ยเราสุภาพนาวาตาล่ได้ชี้ถึงประเด็นนี้การลงโทษนี่มันมีความเหมาะสมกับอัชญยกรรมแต่คนที่จะมองเห็นเนี่ยคือคนที่ต้องรอบคอบคิดคิดถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นมุสลิมทุกคนเนี่ยประชาชนทุกคนทุกคนพลารือนคนเนี่ยจะต้องมีความรีกว่าควาเรีกว่า ปัญญาของผู้ปกครองทุกคนนะ้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่คิดเหมือนผู้ปกครองแล้วเรนอุมรอับนับขุตบเห็นชายคนหนึ่งหล่อมากก็ไม่ว่าอัลละฮ์ช่างหล่อแต่ชื่อชายคนนี้ชื่อลืมชื่อแล้ว ได้ดังมากดังมากในมดีนาะดังี่ขนาดไม่มีทีวีไม่มีเฟซบุ๊นะกนะดังก็เดินไปที่ไหนนี่นะอ้าวก็จนกระทั่งส า, าวในมดีนาเนี่ยบางคนเนี่ยพูดออกมาว่าเขานี่อยากจะอยากจะทาดีล้วกับคนนี้จนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีแล้วแต่สามีออกไปรบไปจี่าฮ ออกมาพูดมาเป็นกรอนเลยบอกว่านอกจากว่าที่ว่าเรานี่ยกลัว Allah เท่า น, นั้นแหี่ยปานนี้เนี่ยต้องนี้ต่อคำจีนากับคนนั้นแหละออมหะไรนี่นขอต้อนเกินเลส่สักอ่ชายคนนี้ให้โกรนผมผมมันสวยมันลอไงกรอนผมอ้ายงรออีกโละกโโ็ได้ไหม โอมาสั่งเนรเทศขอเถออย่าอยู่ที่นี่ไปไหนอะ่ะไปอยู่ตำบลที่มีผู้หญิงน้อยน่ะหรือมีผู้หญิงที่ไม่ชอบคนหล่อเอาไปแต่ไปอยู่ห้องนั่ไอ้คนหล่อเหมือนคนนี้นะ่ะบอกว่าดูเสียวมาไม่มีศิละปะเลยความหล่อความสวยงามทั้ไรไม่ชอบอะ อันนี้คนไม่มีไม่มีไไม่ ม, ไ ม, ม, ม, มีไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบสาอังกฤษเาเรียก responsibility ความความรู้สึกว่ามันมันต้องมันต้องแบกภาระด้วยกันเอ้อ แต่คนนี่มองว่าเออทำไมทำอย่างนี้กับคนหล่อล่ะเอาแล้วจะให้อมาปล่อยเรื่องแบบนี้จนกระทั่งเกิดปัญหาที่มันใหญ่กว่าก็ขอให้คนคนหนึ่งเสียสละได้ไหมเสียสละว่าอย่าอย่าอย่าให้เกิดฟิกหน้ากับเขาได้ไหมสำนึกความสำนึกความรับผิดชอบของแต่ละคนถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เราให้แก่เขา เรื่องทีล่ลอยะทำไมทำไมเรื่องนบีสุลตนาซลลัมห้ามไม่ให้แต่งเสื้อผ้านี่แล้วก็มีคุยละเนี่ยมีการโอุ่วอุ่วทำไมคือจะทำให้คนยากจนเนี่ยเสียใจน้อยใจอิจฉาแขนใจแล้วสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอยนั้น คนรวยที่มีความสามารถที่จะชื่อนู่นตังนั้นน่ะได้แต่ไม่น้อยน่อยไม่น้อยหน่อยแล้วเวลาจะมีโอกาสที่จะแต่งตัวดีทำอะไรดีนะอยากจะกับบปรต่อคนยากจนอ่าบอดใส่เสื้อสีอร้อนหน่อ ย, อยนะเดินเดิ น, นแล้ว น, นี่มันจะโด่งหน่อยของแทนะ้ ดูให้ดีนะแล้วนี่นะขังจีนมันทำอะไรทำให้เกิดความความโกรธแค้นในสังคมคนหนึ่งที่เป็นคนรวยเสียสละหน่อยด้วยทอมตนด้วยแต่งตัวดีนะ แก่รอบน้อมกับคนยากจนคนยากจนก็จะไม่ดีใจเลยโอ้โหนี่ขนาดเขาดูเขาแต่งตัวแต่เขาเข้ามาหาเรามาสลามาสวดก้เราเคนจนแบบนี้เขาจะรู้สึกอะไรไม่แค่คนนึงเสียสละอย่าถือตัวมากเสียสละหน่อยนะสังคมก็จะอบอุอน่นนี่คิดเช่นเดียวกันความติดต่างๆที่จต้องต้องมีคนหนึ่งคนใดเสียหายนิดหนึ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นฐานสําคัญ ความมั่นคงของสังคมมนุษย์ทุกสังคมอิสลามเอามาเราเรื่องนี้มาจัด ก, การมาส่คนหนึ่งถูกตัดมือคนหนึ่งถูกเขียนคนหนึ่งถูกประหารชีวิตนะคนหนึ่งถูกกลายเป็นบทเรียนเป็นบทสั่งสอนในสังคมนี่สังคมจะสงบเยะไมุกมากทีีไม่ตรงเปิดเรื่องจำนรื่อนี้บ้านเราเป็นร้อยนะเป็นสิ บ, ส, บสิบเรื่องจำ แต่แล้วเดินจำนิช้นัประมาณปีหนึ่งอ่ะ้สุบ ส, สิบล้านใช้พื้นที่ใช้บุคลากรข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรแต่การลงตัวอิสลามแบบประปีต์นะวะอ่ะออกลอกจากยังเข้ามาซิปยังให้ละหมาดนะละหมาดแล้วก็มีคนเตือนด้วยเต้าบัดตัวออกแล้วจัดมือกับบ้านเลย จบแล้แต่วลา ค, คนนี้ยคนนี้ก็ถูกตัดเมื่อนะเขาจะมีอะไรเยอะแยะหน่ที่จะเล่าให้คนอื่นอ้าวถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่าอะไรเลยมือเนี่ยมันจะเล่าอะไรเยอะให้สังคไมได้รับรู้และไม่ต้องเยอะนะครับคนเดียวกับบอกนี้บางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเอาหลักการนี้มาใช้ไปไประเทศไทยด้วยเขารับชั้นเน่ยบ้านเราอ่นะโอ้โ เราจะมีมน <give credit> ุษย์ประลาดเยีะลยนเดินต่างเยอะมากเลยไม่ใช่อ่ายังไงครับมาศึกษาดูกันว่าทุกคนที่ขโมยเนี่ยต้องต้องตัดมือหรือไม่ใช่ลอสุบฮานะหัวตาระหิตะเปรียวกัสบิลลาฮิมานิชุตออลลอฮ์ละจีมสุิลลาฮิลลาะฮ์บ้างอัลลอฮฺ والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا ن ك ا ل e من الله و ل ل ه عزيز حكيم ل كم و ย شاي ل كم و ย يинг ن until ق ط م ือของเขาจะเป็นชายหรือหญิงนะนะตัดมือเขา ع ب د الله ب ن مسعود خ ج م ي قراءة สำนวนอ่านของท่านน่นะจะอ่านว่าอัสซ <speaking in some Chinese> าลิอัสซาลิกตูฟขอบ้าอิมานาหูมาขโมยชายและหญิงเนี่ยให้ตัดมือขวาอุลามาบอกว่าอิมานาหูมาเนี่นการอ่านแท้เป็นการอ่ที่ไม่ได้ถูกระบุในสำนวนอุษานจึงเป็นการอ่ที่ถูกท้อทิ้งแต่ ความหมายของมันนันะมีเอกฉันเพราะฉะนั้นขโมยครั้งแรกตัดมือข้างไหนข้างขวาขโมยตัดมือแล้วนะขโมยอีกครั้งหนึ่งตัดมือข้างซ้ายตัดมือแล้วนะข้างซ้ายขโมยอีกครั้งหนึ่งตัดขาอีกครั้งหนึ่งตัดขา ทางซ้ายดูสิผมคิดว่าไม่มีนะไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแ่ะนะแต่นี่ปุละมาเขาสมมติไปเลยอ่ะนะเพราไม่น่าจะมีนะเขตทางเดียวนี้ก็แย่แล้วนี่จะมาย่อม่ตัดถ้าตัดย่อตัดอีกเลยนะไม่เข็ดแต่ถ้าไม่เข็ดมีสมควรไหมเอ้ถ้าไม่เข็ดมีสมควรเอ้ อาลุบะกุสจะแย้มบิมาสบาให้ตัดมือของเขาทั้งสองคนทั้งสองคนหมายถึงว่าถ้ามีถ้ามีสองค น, นทั้งสองทั้งนี้จะแ้มบิมาเกสบาทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองนั้นได้แสวงหาไว้มีความเหมาะสมกับอาชญกรรมของเขา nature น, นั้นเป็นการลุโงทษบารนตอบแทนที่เหมาะกับปัะเทยครับแต่อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันหมอะเพราะอะไรอันตารายของการขโมยมันเป็นอย่างไรอันตารายของขโมยต่ออุปนิสัยต่อมารยาทต่อศาสนาต่ออ ي มานและสุดท้ายนี่ต่อความมั่นคงของสังคม อะไรก็ได <to> ah right ้อ่ะขโมยอะไรก็ได้แล้วก็ตัดอ่ะไม่ใช่ถึงแม้ว่ามีคีลันะครับเราบอกบรรดาอุลามะซ่นบรรดาอัลฮุบาหิรเป็นอุลามะกลุ่มหนึ่งที่เขายึดตตมสำนวนเป๊ะๆเขาบอกว่ามีฮาริอยู่บดหนึ่งท่านนบีสุลต่านละเลลัมกล่าวไว้บันทุกโดยบุคลีและมุสลิม แล ن วอ ل นอัลลอฮฺเสาร์อัลลทรงทาบช่งขโมยยืริกลใบหน้าแต่ตุกตยขโมยข่ายขฟ้องแล้วถูกตัดมือไปยิกลฮัมเล่แต่ตุกตยขโมยชื่อแล้วถูกตัดมือเขาบอกว่าเนี่ย เรายกตัวอย่างแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยไข่ฟองนึงไข่ลูกเดียวขมโมยถูกตัดมือเชือกขมโมยถูกตัดมือทัศน์นี้ก็บอกว่าสวแสดงว่าขามโมยอะไรก็ได้ก็ต้องถูกตัดมือ <c oughs> แต่ทัศนานี้เขาบอกว่าการขามโมยหรือปลอม ด้วยความหมายของกิริยานี่นะขโมยปล้นซารากร็ฐานของกิริซารากร็คือการหยิบการเอาทรัพ <c> ย <oughs> ์สินอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบทำคําว่าไม่ชอบทำนี่หมายถึงว่าหยิบแล้วเจ้าของทรัพย์สินน่ะนะเจ้าของทรัพย์สินน่ะนะ เขารักษาไว้ยอย่างดีแต่นี่กันไปหาวิธีทุกวิธีเนี่ยจะได้เอาทรัพย์สินของเขานีมาเป็นของของเราพี่อัละมาบอกว่าจึงต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขนี่มันอยู่ในเนื้อหาของกระยาของของคำว่าป้นคำว่าขโมยนั่นคืออัลฮิร์ฮิร์แปว่าอะไรแปลว่าทรัพย์สินนั้นมันต้องอยู่ มันต้องอยู่ในสภาพที่ถูกคุ้มครองถูกปกปิดถูกเก็บถูกเซฟไว้อย่างดีนั้นผมวางปากกาผมเราก็ละหมาดเสร็จแล้วบัญญัเสร็จแล้วแล้ผมก็ลืมปากกาแล้วก็ไปกลับบ้านมีคนนึงมาพรุ่งนี้สุบโบนี่เจอปากกาหนี่งเก็กะยิบไปอันนี้เขาได้กันขโมยไหมเขาไม่ได้กับขโมย ไม่ได้เกิดปล้นไม่ได้เกว่าาระก็มันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับท่านมีมีเครื่องประดับประดาเพชรพลอยอยู่ก้อนหนึ่งมีมูลค่าล้านบาทไปวางกลางซอยสันติชนเฮ้ยแล้วก็ไปก็มีขโมยเนี่ย พวกต้นนี่นะก็เจอเขาก็หยิบไปอันนี้เรียกว่าขโมยไหมทาไมออบบนะอไมอ้ของแบบนี้เนะี่ยคงไม่วางกลางถนนของแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปเก็บถูเ้เซฟไปเก็บกันนัมีมีกลองเต่าดูมีมียามีแต่นี่ามาวางกันก็หยิบไปอันนี้ไม่ได้ขโมยไม่ตักมือเลยครับแต่แล้วเขาหยิบมาหยิบไม่หีิของคนอื่นหยิบแล้วอ้าวสมมุติวะหยิบแล้วเรียนหนึ่งปี ถูกจับดำเนินคดีได้ไหมยังข้าในความยังมีช่องปกป้องเขาได้ทำไมอะของหยิบจากถนนนี่นะให้ระยะ1หนึ่งปีประกาศไอ้โจนคนนี้ก็บอกว่าอ๋อผมกำลังประกาศกลังประกาศแต่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีสองปีถ้าถูกจับถูกจับแล้วนะอ่าของใครของคุณบ้างไม่ใชไปใช่ ที่ของคนนู่นเขาแจ้งความเอาแล้วเอาเอาไปทำไม่เอาวไปหยิบหยิบจากไหนหยิบจากกระนอนอันนี้ตัดมือไม่ไม่ตัดมือครับแต่ลงโทษไม่ลงโทษแต่ไม่หยุดขั้นตัดมือโทษอย่างอื่นอย่างที่เราบอกว่าอะไรที่เป็นอาชญากรรมอันนี้เป็นบาปที่ไม่มีถูกกําหนดโทษของมันในกุรานหรือสุนน่านะก็มีเป็นผ เ, เ, เ, เป็นความผิดแต่มีโทษอยู่ที่ดุนพินิษฐ์ของพิพักษา ได้ได้เรื also, say, oh, so somebody, somebody, ่องแล้วแสดงว่าเขาบอกว่าโอ้อย่างงั้นที่หนึ่งมีแต่คนคารัทชั้นคนนับสินบนลับสินบนนี่ขโมยไหมไม่ไม่ไม่ถือวาขโมยคารัทจ้นนี่ขโมยไหมไม่ถือว่าขโมยทำไมคารจ้นนี่คือคนที่ถูกมอบหมายอยู่ในตำแหน่ง ถูกมอบหมายให้เซ็นงบเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านแต่เขานี่มีสุปมีแบ่งผลประโยชน์จะเรียกว่าโจนจะเรียกว่าอาชยยกรเนี่ยะเยคนชั่วเรียกเรียกไปครับแต่นี่นขโมยทำไมอ่กะการรัฐบาลกากฎหมายเนี่ยมอบไงให้นักการเมืองเน่าๆแบบนี้นักการเมืองที่ถูกเลือกดน นักการเมืองก่อนที่จะไปเลือกตั้งไปหาเสียงนี่เห็นมันเมาๆนี่ไปยังให้มึงให้เข้าสภาเลยเข้าสภานี่ยกำลงัอลงอ่านแถลงการ์วิ น, น้องร้องคำกียงปล่อยให้เป็นผู้แทนราษฎรเล้วคนแบบนี้เนี่ยเขาคิดคิดว่าเขาจะเป็นประโยชน์สาหรับประเทศชาติอ่ะวันนี้คืนนี้ไม่มีตังค์ซื้อเหล้าอ่ะเขาเขาต้ซุกเขาเของอะไรมันซื้อเหล้าแน่นอน ก็กฎหมายนี่มันเ อ, อื้อให้คนนี้มีจับตังค์นี่คุณมอบไปคนแบบนี้นี่จับตังค์เขาก็เอาตังค์ส่วนหนึ่งไปไปใช้นี่ไม่ใช่ขโมยแต่แบบนี้ไม่ตัดมืออาจจะมีอะไรที่มันที่มันอแรงกว่าตัดมือก็ได้จากความเสียหายนี่มันร้ายแรงนะอาจจะมีแรงกว่าตัดมือก็ได้เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ แสดว่าต้องมีฮรสอันนี้ค่อนข้างเอกฉันแต่ที่มีความขัดแย้งสินทรันะอลมาซีมัจฮับศรัาเลยมับอมอบูฮานีฟอิมมชาบีอมาลิกอิมมอล์มดิฮัมเขาบอกว่าตัดมือเนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสามดีรหรือหนึ่งในสี่ของดินาร เก9คือดีนาร์นีนะมูลค่าของดีนาร์เท่ากับ12ดิรฮัมสแสดงว่า1ไมสีของดีนาร์นี่ก็คือ3ดีรฮัมถ้าหากว่าดีนาร์นี่มีมูลค่าประมาณ6พันกว่าบาทนี่สแสดงว่าดิรฮัมหนึ่งก็ประมาณโดยประมาณ500บาท3ดิรฮัมแปลว่ากี่กี่บาทพันห้าร้อยบาทถ้าขโมยป้นและ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ตัดมือนาฬิกาเก็บไว้ในตู้อย่างดีติ้งชติเย็นดีในห้องเ้ามีคนชอบเปิด ต, ติ้งชากยึดขโมยถูกจับไม่ตัดมือเดี๋ยวก่อนดูก่อน ดูว่าตีมูลค่ามีคิล่าคนหนึ่งตีมูลค่านาฬิกานี่พันห้าร้อยอีกคนหนึ่งบอกว่าพันสี่ร้อยเก้าสิบอาจจะเกิดขึ้นจริงแบบนี้ตัดมือไหมมีคิล่าในมูลค่าไม่ตัดมือทำไมครับ ข้อทนบีสลลัลลอฮุอะซลวอิดระอัลฮุดูดบิชุบุฮดจงระงับการลงโทษด้วยชุบะคืออะไรเรื่องที่คุมเคืนนี่มันมูลค่าพันห้าหรือพันสี่ร้อยเก้าสิบอันไหนกันแน่เออถ้ามันชุบะอย่างนี้อย่าตัดเลยถ้ามีอะไรช่องว่างไม่ให้ลงทษนนะนบีส่งเสริมก็มีคนมาบอกแต่นบีครับผมทำจินา ลงโทษผมนบี บ, บเฮ้ยไปจีบเขาเปาแค่ไปจีไม่คุยอะไรเปล่าผมจะเป็นยะังไน บ, บีคือนบีนบีป้อนป้อนคําตอบให้เขาคือถ้าเขาบอกถ้านาบี บ, บอกว่าเออแค่ไปคุยเป่าผม<ๆ>อเออใช่นบีบบว่าเปล่าบานไม่ลงลงโทษ บอกว่านี่แสดงว่าอิสลามม่ใช่ว่ากระหายว่าจะต้องลงทุนมึนใครมาขีน้นมาจาัดมันจากจาการเปล่าและดีต้องการให้หลดุดให้คดหลุดพ้นจากการลงโทษด้วยซ้ำแีบอกว่าแค่จูกบเปล่าถ้าเขาบอกว่าเออใช่ถูกจบก็ไม่ลงโทษของการทำศีินะเขายินเนี่ยยินอยี่นนลยลนั่นอบดก็ไม่ลงโทษ แบบนี้ก็เหมือนเนี่ย <c oughs> ไปขโมยยังไงอ้าวคนเขามีนาฬิกามีมูลค่าห้า0มืนบาทแพงนะแพงแต่เขาใส่ถุงอย่างนี้ใส่ถุงแล้วก็วางบนบนโต๊ะก็มีคนก็หยิบไปอ้าวถูกจับขึ้นดำเนินคดี <c oughs> ของทรัพย์สินบอกว่านี่มันขโมยทรัพย์ยสินฉ่นจากจากจากสถานที่ที่มีการคุ้มครองปกปิดซีทรัพย์สินของใส่ถุงไว้เก็บไว้อย่างนี้ใส่ถุงไว้คนนั้นบอกว่าขีกับขี นาฬิกาห้าหมื่นใส่ถุงวางบนโต๊ะเหรอฮินาฬิกาห้าหมื่นเนี่ยคุณต้องเก็บไว้อย่างดีนี่ถ้าไม่อยู่ดินมือนี่คุณก็ต้องเก็บบนินชักเก็บบน่ะคุณพักสาวบออือใช่ขานเงื่อนไขก็ขเป็นชุบาตไม่ตักมือแต่ลงโทษย่งงางอื่นนะฮะลงโทษย่างอื่นแต่ไม่ตัดมือเนี่ยอิดร่าลฮดุดูดะบิชูบาต์คืเป็นตุน มันไม่ใช่ว่าเออเจอใครทำความผไไิดอะไรไม่จบับปุ๊บปั๊บจัดการน่ะไม่ใช่มีกระบวนการาเรื่องอย่างเรื่องการทําศีนาอุมาลุนขับตอบมีคนร้องเรียนว่าเห็นคนนี้ทําศีนา <c oughs> เอาพยานมาสี่คนมาสี่คนสามคนพูดชัด <c oughs> ทําศีนาชัดเจนเลยคนหนึ่งบอกว่าไม่แน่ เขาบอกว่าไม่แน่ยเปล่าประธานโทษนะใช้สำนวนอาจจะนั่ น, น่อยไม่แน่ผู้หญิงี่ผู้ชายที่นอนด้วยกันเนี่ยเขาทํ า, าอะไรกันแค่น <c oughs> ี้แล้คนที่มาให้การเรื่องการทำศีลนาบิโตเอนี่นะเขาต้องให้การละเอีอยดทำอะไรกันน้องกับคนไม่จะอาสามาเป็นพยานดูฮะดูมีเรื่อง เรื่องตลกมากนพะี่น้องคือคือคือเราไม่คือเราคนนี้ไม่ศึกษานี่นะมองไม่เห็นนะว่าอิสลามของเรานี้ยิ่งใหญ่ยังไนงะดูคนนี้ทำสีหนานี่อันย่าในกรณีเนี่ยว ด, ด, ดูจะได้เป็นพยานแต่อัดูแบบสนุกสนุกกันนะแอบบดูแบบสนุกสนุกกนะันถวเาถามว่าทำอะไรตอนนั้นตนะาว ไม่ยินเสียงเห็นอะไรก็แอบดูไอแบบนี้เนี่ยไม่ได้คือต้องมียตัวจะเป็นพยานนะ่ะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปไปไปแจ้งความอันนี่สามคนบอกว่าเห็นชัดไม่ทํำสินะคนหนึ่งบอกว่าไม่แน่ก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยนจไม่รู้ว่าทำอะไรกันออกมาเป็อมูลคตบปล่อยคนที่ถูกเก่าวหาทําเสียนะแล้วก็มาเคลียน์สามพยานสามคน เมื่อเขียดสามคนเนี่ยผมก็พวกพวกคุณเนี่ยไปใส่ได้ครับอัลลอฮ์นั่นหมายว่าไอ้คนที่ทําดีหนาแล้วก็บังอาจคนจะมีโอกาสไปดูนี่นะแสดงว่าเขาต้องทําดีหนาที่สว่างมากใช่ไหมไอ้แบบมืดๆนี่ที่มองอะไรไม่เห็นนี่ไม่ชัดใช่ไม่ใช่พราะด่ า, าก็าไปให้การแล้วนี่ที่ศาลน่ะนะศาลจะทํำยังไงอ่ะคนหนึ่งไม่ชัดสามคนชัดเนี่ยไอ้สามคนโดนเครียด ด้วยหลักการศาสนานีปกป้องคนทำความผิดไม่ใช่เอาเรื่องกับคนทำความผิดนะปกป้องถึงสุดเลยมีโอกาสที่ที่จะรอดพ้นจากการลงโทษจนะนังอิจราอัลฮุดุดบิชบุฮะแต่ถ้าว่าฉะนั้นในสมยัยของ น, นาบี คนที่ถูกลงทษ่นทำจีนาเกืยบทั้งหมดเลยอะนะคือคนที่มาสารภาพไม่ใช่คนที่ถูกนะถูกแอบแล้วก็ดูแล้วก็ไปแจ้งความไม่ใช่แคบไม่มีน้อยมากเลคือคนที่มาสารภาพแล้วก็มาขอให้ลงทษจะได้ล้างความผิดของเขาคนที่ขโมยส่วนมากกว่าคนที่มาขอให้ท่านมาบีตัดมือเขาจะได้ล้างชาระความผิดของเขา สังคมสังคมแค่มีหลักการแบบนี้มีความตระหนักมีความศรัทธาศึกษาเรียนรู้หลักการแบบนี้เนี่ยเพียงพอมากสำหรับผู้ศรัทธาในสังคมที่จะเลือกความผิดที่จะไม่เข้าเข้าใกล้ความผิดความชั่วแบบนี้แล้วถ้ามีล่ะถ้ามีละ่ละศา ส, สนาก็ยังหาช่องทาความผิดเดนนะหาช่องที่จะไม่ลงโทษสุดรุนแรง จะได้พ้นจากฐานผิดบาปใหญ่อาจจะได้ถูกลงโทษอย่างอื่นอาจจะไม่ได้ถูกเที่ยนร้อยหนึ่งอาจจะถูกเที่ยนยี่สิบอาจจะไม่ได้ถูกตัดมือก็อาจจะถูกตีอาจจะถูกเที่ยนสิ่งที่ประมาณประมาณเนี้ยพระลักษเดชานุภาพทรงปรีชาญาณว่องโลหะซีสุลภิกเหมาะมากนะครับสองพระนามนี้สําหรับภายานี้ อัล ز ัล <c oughs> บบะกว่าจะงามาก ا ัสมะลคาล์มหอนคาล์มิ น, ลลนะละคนนค่าล์มินะลอและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากลอลอก็ลลให้เป็นตัวอย่างในการลงโทษความผิดบาปใหญ่ให้คนอื่นเนี่ยได้ไตรตรองพิจารณาไม่ให้กระทำสิ่งเหล่านี้ และอม น, น, นั้นทรงเดชานุภาพทรงปรีชัยเขาไม่เดชานุภาพอ่ะทําไมเดชานุภาพพี่น้องถ้าเราเอาเอาที่ตัดเล็บเพืม่มาตัดเล็บใครจะมามาอะไรกับเราได้ไหมทำไมตัดเล็บเล็บกูเล็บชั้นอ่ะตัดผม ให้จะไปตัดผมผมผมผมผมจะพูดยางไงเราว่านะรับ่นองอินน่าลิลลัลฮิวาอินนาเราเนยเป็นของใครอะของ a l l a l l a h ส้องให้ตัดนี้ตัดนอน่น Allah ส่งเดชานุภาพใครก็คือเจ้าของมนุษย์ตใครจะมีเดชานุภาพเนะี่ยขใครจะมาบอกว่าเฮ้ย hey, มือนี่อะปไปยุง่งทาไมของฉันเ <laughs> ลิกเธอละเลิกเธอละ เจ้าของมือนี่บอกว่าให้ตัผู้สร้าง ม, มือนี่บอกนนว่าให้ตัดเชสฮักิมปริชายมีเหตุ ม, มีเหตุผลสั่งอะไรบัญชาอะไรสอนอะไร ย, ย่อมมีเหตุผลผู้ศกัทธาเชื่อแบบนี้สบายใจมากสบายใจได้เลยสังคมที่มีความตระหนักในหลักการในบทลงโทษแบบนี้เนี่ยก็จะสบายใจมากความวุติธรรมของอิสลาม ขึ้นกับความศรัทธาความเชื่อของเราต่อความยุติธรรมของเราสุภาโนอัลลอฮฺอัลลอฮ์ลายบริมมิสกาลาจัรรอัลลอฮฺจะไม่อาธรรมไม่ดุลไม่กระดึ่งผงถุยและอ้อจะไม่อธรรมมนุษย์อันนี้เป็นหลักการที่ใช้ได้ทุกทุกเครื่องนะทุกกรณีนะแสดงว่าตัดมือเคี่ยนบดลงโทษทั้ทงหมดนี่นะครับ ไ ม, لم, ม, ม, ม, ม่ถือว่าเป็นสุนมถือว่าเป็นความไม่ตาถือว่าเป็นความเหมาะสมถือว่าอัลลอสุบฮานะได้ปฏิบัติหน้าที่อำนาจมา ก, กับอำนาจดชาันใ่าของพระองค์นะครับก็คงเป็นเรื่องที่เราได้ได้ไดความรู้สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายอาญาประการหนึ่ง ที่มีในอิสลามเชกรรมที่มันอันตรายต่อสังคมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างอย่างจีนาเ่ขมโมยเร่องตัวอย่างเดียวเราสุภานณวตาละ่ะให้บทลงโทษให้ผู้กรัทธานในสังคมเนี่ยได้ได้นำมาคิดพิจารณาปรับปรุงอีมานครับ ปรบปรุงกิริสใช่สิครับการลงทุษในโลกดุนยานี้เทียบแล้วลงโทษสําหรับผู้ศรนทธาจะมองโอามันเล็กมากมันน้อยมากเทียบแล้วกับการลงโทษในวันเกี้ยมาอาจจะลงโทษแบบนี้ในวันนี้ให้สังคมจัดระเบียบสังคมไม่เรียบร้อยนะดีกว่าปล่อยแล้วก็จะสังคมก็จะลดโทะ แล้วางเกียรมากหนี่หดกลับไปหาอ AH ่อนแอหนีก็จะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบอย่างสาหัสมากกว่าที่เราได้ข้างนะครับตามมาด้วยอายาไม่เกี่ยวกับอายาแล้วนะมันเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามว่าด้วยการขัดเกลารจิตใจจะเกี่ยงเตาบัตรมีส่งเสริมใ ห, ให้เตาบะตรให้รีบับ บจนบมีแลหหแล้วผู้ใดสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากการอธรรมของเขาหลังจากที่ได้ขโ ม, มยแล้วเนี่ยและแก้ไขปรับปรุงแล้วแท้จริงอัลลอ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเองน็นดูเมตตาเสมอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจักชื่อฟาติมาชื่อฟาติมจาจัดเผาบนิมาคุูมซึ่งเป็นเผาใหญ่ตระกูลใหญ่สำคัญในบริชขโมยบางรายงานบอกว่าคนที่มาฝากของคนที่มาฝากของเขาก็จะชอด อิบของนี้แล้วก็เอาไปเก็บเอาไปใช้แล้วก็ไม่บอกก็บ่อยครั้งแบบนี้จนกระทั่งมีคนไปร้องเรียนท่านอบิศรหลวงพ่อว่อะไรอยู่แสดงนบีก็สั่งให้ตัดมือผู้หลักผู้ใหญ่ในเอบานิมักซมิโยผักลูกชาวเรตัดมือได้ไยเราใจตั้งใช่ใช่ใช่เจี๋ยหันใจตั้งเลยใช่เลย คุณคุ้นมแบบนี้แต่ไม่กล้าพูดกับนบีทำไมโดนโดนแม่ไปหาสิ้นหาสิ้นใครอะคนที่นบีรักมากใครอะอุซามะอับดุลไซดอุซามะอับดุลไซดขอัญขวัญอันดอับดุฮาริอดีบบุตบุญธรรมของนบีนบีรักไซดมาก ز จจริงไม่ใช่ยาศาบาเขาเรียกว่าฮิบบุรษูลิละที่รักของนบีลูกเขามีอุษามานี่นะนบีก็รักมากและไม่ใช่ยาวาฮิบบุฮิบบุรษูลิละที่รักของที่รักของนบีแบบนนนะรักมากเขาบอกว่าอุษามะช่วย คุยกับนบีเลยให้บเทาให้ลดโทษอย่าตัดมือเลราพร้อมทาอะไรก็ได้แต่อย่าตัดมือสงสารอุสาวมาศไปคุยกับนบีอุสาวมาศถ้านบีรักอุาแต่กอุาย่เรื่องนี้มานี่นบีเนี่ยน่าเด็เป็นเป็นลักษณะความมโหสถน่าเด็ดอาจหัดินขอดูดลอุาวมามพูดกับนบีก่อนละมารใ คุณจะมามาขอให้ลดลดการลงโทษในฮัตในบทลงโทษที่ถูกตัดสินแล้วของอัลลอฮฺสุฮาบิุตา์กานนัาาา้นหรือ <c oughs> แค่นั้นนะอุตสามานเงียบเก็บตัวแล้วก็ บ, บีละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จแล้วขึ้นมิมบัรเลยื ม, มเรื่องงานเข้าแล้ว เตือนเลยเป็นโอกาสที่จะเตือนเตือนชาวกุเรชแล้วก็เตือนประชาชาติอิสลามทงหลายแมาชาวคุเรชโอ้ชาวคุเรชแหมดีดนะแหมดีดนะพวกคุณนี่จะหากว่าคนจนขโมยพวกคุณตัดมือแล้วถ้าคนรวยขโมยพวกคนก็ไม่ตัดมือวิมุลลอฮฺแต่สำหรับข้าพเจ้าขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮฺ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. زملة فاطمة، ا ن ة زملة فاطمة، فاطمة محمد هي ك م و ي نه. كبر جاو ج ب ن ك و اللي ق ت معي و ئ د و ئ ك م ر جاو. فاطمة قطع ق م ع فاطمة المخزومية قطع معي. قطع معي. เขาก็ถางเปล่าพี่มาถามท่านน บ, บีท่านน บ, บีครับหลังจากนี้ฉันสามารถเตาบักตัวได้ไห ม, มนบีบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ถูกลงทวดแล้วเสมือนท่านโคตรออกจากมดลูกของมันดาเกิดใหม่ทำบาปเดียวลงทวดบาปเดียวเนะี่ยแต่มันก็เกิดใหม่ อันนี้บทขัดเราเพรามันเอบำบัดบาย่างที่ไม่ต้อง إ ص أ ر ر ر ر ي. ي ي ي ل ด้วยต้องปรับปรุงด้วยต้อบัดตัวปรับปรุงด้วยผู้ที่ทำี้าเขาเลยโลิศเนี่ยกำลังโยนหินกำลังวางหิเลือดกระเด็นเลือดกระเด็นโนเสื้อโมเลยแช่งตันีบอกว่าาช่ แล้วแต่ตั them, ๋วบัตรตัวชนิดตบัตรของเขาเตบัตรการกลับเนื้อก uh ับต uh ัวของเขาชนิดท um uh ี่ว่าเอาตบัตรนี้ไปแจกให้แก่เจดสิบคนชาวมาดีนนะที่มีบาปเหมือนนางนี่นะตบัตรของนางเนี่ยมันจะเพียงพอสาหรับเจ็ดสิบคน ผมอยากอยากเห็นหน่อยตำรวจนี่มันแบบไหนมันแบบไหนชาวเรนเตสน่าดีถูกต้องของอกูเลยมั้งบอกว่าการลงทุนบุตลงทุนทุกชนิดนี่นะทั้งเป็นการเป็นการตักเตือนสังคมและเป็นการลบล้างความผิดลบล้างมณฑินของคนที่ทําบาปทําความผิด เสียหายได้ไงถูกลงโทษถึงแม้ว่าคนเขามองว่ามันรุนแรงกนะันแต่ที่ได้มานี่คืออะไรล้างมนทินกลายเป็นคนใหม่เป็นคนสะอาดเป็นคนที่มีศีลธรรมสูงเป็นคนที่มีมีคุณธรรมสูงแบบนี้เนี่ยสังคมตอนรับได้อยู่ได้ในสังคมไปรอด ที่ทําบาปแล้วเตาบาปตัวแล้วหรือทําบาปแล้วแล้วก็ถูกลงทวดแล้วไม่อนีญาตให้คนในสังคมเนี่ยได้ประนามประจานเต้าหนตีติเตียนหรือหรือยอกเย์นอนลอย <c oughs> ทำไมอะักสิี ไอเรื่องเล่นอะไรเรื่องตบานี่ไม่ใชเล่นรุ่นศักดิ์สิ์เขาเ้าบาดแล้วนี่อัลล์ให้อภัยแล้วนี่เฮ้ยแกน่นตะกนนนังนะได้ได้เาะว่าอัลล์ ه และ ت ع ให้อภัยโทษแล้วแล้วมนุษย์ไม่ให้อภัยโทษนี่นั่นเสียหมาก็อัลลอฮ์ให้อภัยล้วเจ้าเจ้าเจ้าของเจ้าเจ้าเจ้าเรื่องนให้ไปแล้ว แล้วก็มารุธมีมีอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรมีมีอะไร ย, ยุ่งอะไรอ่ะไม่เอานะเแล้วก็ยังเอาความบิของี้ยที่อัลลอฮฺให้พูดไปแล้วอีกนะยังม า, มาปะปา ม, มาโยอ ย, ยอยมาทํานีมาพัฒนาคอมมินาเซียแล้วคนนี้เนะี่ยบางคนย่างยิ่งอ่ะที่จะถูกประรามในสังคมเพราะคนนี้เนี่ ย, ย, ย, นะ ท, นนยที่ขัดขวางคนในตาบัตรตั ว, ตวจริง เขาบอกว่าคนคนแบบนี้เนี่ยสถาปันาตัวเองเสมือนเป็นพระเจ้าทำไมอ่ะเอาแล้เปิดประตูให้คนเตาบัดตัวให้คนเข้าสวรรค์แต่นี่ดันมาปิดประตูใหม่ใหม่ให ม, ไม่ไม่เขา้าเอาแล้วเปิดประตูให้กลับเนื้อกับตัวให้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะหมอไม่นี่ยุแย่ยุแย่ยยนยีให้เขาเสียใจให้เขาลาบากใจให้เขาเสียใจที่เตาบัดตัวทําไมอ่ะ เพราะไ้คนแบบนี้อ่นะคนที่ชอบเยอะคนที่เตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตนะอ่ะนะไอ้คนชั่วนี่ตอนตอนมันเป็นนักเลงอนะ่ะตอนมันเป็นคนชั่วอนะ่ะไม่มีใครฆ้าไปเอะอะไรจะบ้ฮะอย่างโจนอย่างเงี้ยโจนะ่ะบอตอนตอนตอ น, ตอนมันอยู่ในมันเป็นอาณาจักรของมันนะ่ะนะอะอ้าปากสิไปแล้วกูโบโลเลยเหรอ แต่พอไอโจนนี่มันโตบัดตัวแล้วเป็นคนละมาที่มาสินไอโบนี้มาละ <c oughs> มาละเออเออเออใครป่าวไอคนนี้เริ่มาก็เสียใจเลยโอ้ฉันมาผิดที่หรือเปล่านี่มามาสู้เราหนี่มาแล้วมานี่มาเจอคนแบบนี้เพราะตอนเป็นโจรนี่เนี่มีแต่คนมากราบไหว้ตอนเป็นโจนนี่มีคนนมาแต่ว่าเป็นคนนี้นี่ยมีแต่คนมาเอ็ดมีคนมาให้ฉันมาผิดหรือเปล่า พวกนี้ี่มันขัดขวางเอามาเปิดประตูสวรรค์นี่มันมันติดประตูนี่ไม่ให้เขา้าถ้า่าเป็นเป็นพระเาจา้าคนแบบนี้อันตรายมากนะครับในสูงอันตรายอย่าเป็นนะคนแบบอยเป็นแบบให้เป็นคนที่เปิดเปิดกว้างนะครับคนคนที่ทําความบิดนี่คนยทงความบิดนี่โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบมีสูงมากสกิดบางที แค่ยิม้มยิ้มไม่เขาเลยเปี่ยนเลยเปี่ยนเลอาชญากรที่แบบวบโหดร้ายที่สุดในสังคมสังคมนี่เจ็บมากบางทีเนี่ยเราแค่เปิดกิจส่งสัญญาณครับมาเหอ่อมาเหอ่อแล้วมันจะดีมันจะเรียบร้อยมาเหะอจะดื้อมาเหอ่อมาเหอ่อแล้วพวกเราจะเป็นพี่น้องกันนี่เดียวเนี่ยสังคมสบายเลย แต่สังคมของเราในบางทีเนี่ยเรานี่กําท่าว่าเราเนี่เอเป็นห่วงเราเป็นคนระวังเราเป็นคนมีความรู้สึกที่ละเอียด อ, อ่อนพอโจรเข้าสูา่เราเรากําลังอ่านกุศอาหารหซิกุณเนาะพอโจรมามองกันทั้งสู่เราเลยะมองกันทั้งสู่เราพี่น้องคิดดูสิเราเนี่เข้าเดินเข้าสูา่คนมองรู้สึกยังไง ร, รู้สึกยังไงไม่ยินดีต้อนรับ ใช่พเขารู้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเขารู้แต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยแล้วคนโอ้ยมาแล้วก็ยิ้มแยอย่างเนี้ยแล้วก็อ่านขุดอ่านต่ออะเขาเข้ามาพอๆแล้วมาเสร็จแล้วนี่นะามาสลามาทักทายมาแสดงความยินดีมาเลยท่ากับเราดึงเขาหนีแยงเขาจากชีตอนชีตอนกำลังแยงกันเขากำลังสองจิตสอใจนี่บางทีเนี่เข้ามาแล้วนี้หลายคนนะครับพี่เข้าสู่เรานี่ยจะละมาด เขาเจอพวกนี้แหละไอ้พวกพวกออกเลยไปเลยเลิกนี่เดียวนะครับสัญญาณทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับดูสิอัลลอฮ์สุฮาน์นะพูดถึงเรื่องตัดมือนะแต่จนท้ายเนี่ยอะไรถ้ามันเตอมาใครใครมาใครมาหาอัลลอฮ์ فإن الله ف ต่อินนั่นแหละยะตูบ ب ัลลอฮฺอราบะอัจะให้อะไรมที่สุดให้พวกเราเนี่เป็นสื่งที่นาคนเนี่ยไปหาอัลลอฮ์จะได้เตาบตัวตั้งแต่ไอทูตจาอัลลอฮฺสุฮาโลซาลลตต์คงฝากกับพี่น้าเพียงเท่านี้ครับขุลขั้วเลได้สอบุลลอฮ์มอดีมลีวาลาุมสอัลลอฮฺและอัลลนบีนะมุฮัมมัดวะอัลอาลีวะซฮบีวะัลลัมวันประหัตปดีก็จะเป็นฮะดีษ สุดท้ายเราจะของดนะครับสัปดาห์หน้านี้อังคารพุธสัปดาห์หน้านะครับจะของดหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะจะมีธุรกิจส่วนตัวหน่อยนะครับทุกับพียงแค่นครับอัสลามุอะลัยกุมุรัมมะตุลลอฮิะราก